สสังหะวาระวาระว่าด้วยการจัดเข้ากองอาบัติ 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่5 252ถามเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลาย บรรดากองอาบัตเจดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะยินดีการถูกต้องกายอาบัตทั้งหลายบรรดากองอาบัตเจดกองจัดเข้ากองอาบัตห5กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังฆาทิเศษสากองอาบัตทุนละใจ 4. กองอาบัตปาจิตตี 5. กองอาบัตทุกกฎละ 5. ปาติเทสนิยกันคำถามคำตอบจัดกองอาบัตในปาติเทสนิยกันละ 5. ปาติเทสนิยศขาบทที่8ถามเพราะภิกษุณี ออกปากขอ น, นมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะภิกษุณีออกปากขอ น, นมเปรี้ยวมาฉันอาบัตทั้งหลายบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ 1. กองอาบัตปาติเทสนิยะ 2. กองอาบัตทุกกฎสังคะวาระที่สจบ